าในพัมถึงควาภาษานี้มีใครพอจะช่วในภางในเรู้ธรรมีใครือไี่ธรรมบ้างวันเวลาก็ผ่าน คนไปันนี้ก็ใกล้จะออกพรราในแต่ละวันแต่ละคืนทุกอย่งางคนไปนั้นพวกเรานั้นได้ทำความเย็นกันเต็มที่หรือยังในการพรุทธปฏิปธรปรมนั้นในการที่เราเข้ามาบว เราต้องมุ่งหวังความพ้นทุกขเป็นที่สุดเมื่อเรามุ่งหวังความพ้นทุกเป็นที่สุดเมื่อเราเข้ามาบวชอยู่ในเพศป่ากาสามพักนี้เราจะต้อคนจะต้องพยายามที่จะต้านลความเพียรอยู่เสมอเพื่อที่จทเจ้าจะนิ่งเลเรภายในจิตใจของเรา เรื่องของกิเลสนั้นมีไปในจิตใจของพวกเราทุกๆคนเลยแต่เรามาบวชก็เพื่อที่จะทําลายกิเลสไปในใจของเพื่อที่จะชนะกนิเลสไปในใจของไม่แช่บวชขึ้นมาเพื่อที่ยอมแพ้กิเลสไปใน ใ, นใจของเรให้ดูตัวอย่างของสมเด็จพระสรสมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอันตสาวุทา้งหลายที่ท่านมันเปียนมาท่านมันเปียนสร้างบา ร, รมีมาก็ด้วยความยากลงบากในคนทางบัาเดินกว่าที่จะทำจิตใจของแต่ละพระองค์นั้นให้มีความบริสุทธิ์พวเราทุกคนนับได้ว่าก็ายังมีบุญมีโชคอันดี ขึ้นได้รู้จักธรรมะคำสอนของผู้พุทโธนั่นเป็นหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ในยในใจขอเราเรารู้จักหนทางนการ พ, รพุธิบัติแล้วผู้พุทโธก็ทรงวางหลักธรรมวินัยได้วางแนวทางในการดำเนินในศีลมีสมาธิในปัญญาเป็นหนทางดําเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ ใ, ใ, ในใจของเรา แต่เราทุกคนนั้นได้มีความภาคเปลี่ยนพยายามกันเต็มที่หรือยงการประกอบปฏิบัติของเราในภาษาที้นั้นได้รู้ธรรมเห็นธรรมในจิตใจเป็นธรรมเกิดขึ้นมาบ้างหรือยังความเพียนของเรานั้น ไ, ได้ทําเต็มที่หรือยังเพราะฉะนั้นการที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจเรานั้นต้องอาศัย ตามมีศรัทธาที่จะก่อให้เกิดความเปียนเพืพ่อที่จะทำส ต, รทรทติทำสมาธิเจริญภาวนาให้เกิดมีความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดปัญญาในการที่จะละกิเลสออกจากใจของเราเป็นสำคัญการอดทนที่จะต่อสู้กิเลสในใจเรานะั้นบางครั้งเราต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนครูบาอาจารย์ของเราท่านปฏิบททัติธรรมนั้น ก็เต็มไปด้วยความยากล่บากแต่ท่านไม่ท้อถอยท่านมีความอดทนมีความตั้งใจในการปฏิบัติถึงขนาดว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือว่ายอมทุ่มเทไปสุดชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าสละชีวิตสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามคำสอน ข, ของพระพุทธ กุบารใจของเราแต่และองค์นั้นจึงสามารถที่จะทำกิจให้บริสุทธิ์ได้การประการประพัดไปผ่าของท่านไม่ใช่ว่าท่านอยู่ในฐานที่สบายท่านเข้าอยู่ในป่าในถ้ำในฐานที่สปมกสนับต่อสู้ทุกถึงทุกอย่างทั้งความกลัวท่านภัยนอตรายจากสัตว์ร้ายต่างๆที่ ม, มีอยู่ในป่า ในถ้ำในเขาต่างๆสถานที่พักความเียนเพียงภาวนานั้นก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันนี้อาหารการการกักขันนั้นก็พอเป็นไปเพียงเพื่อประธานชี้ถี่จริงเพียงเพื่อควาเป็นเพียงในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นโดยปกติแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ที่อยางสนใจในเรื่องอาหารการกักขันเท่าไหร่การทํำเพียง น, นั้นเป็นหลักใหญ่ ที่ต้องบํนเดินภายในจิตใจพวกเราทุกคนนั้นมาอาศัยอยู่ในที่พักสงซึ่งเป็นสถานที่สะดวกสบายพอสมควรแม้แต่ความเงียสบสงบก็เป็นฐานที่สุบสนับพอสงควรเหมาะในการบาเพ็ญภาวนาแต่เรามีสติมีปัญญาในการที่จะ ปล่อยรับความเพียรอยู่เสมอๆหรือเปลหรือปล่อยให้กิเลสควบคุมจิตใจเงเราบังคับบัญชาจิตใจ เ, เรานั้นให้ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเดือมาไปได้เดือดรอ้อนไปได้ไม่ยอมทำความเพียรความเพียรเพื่อ ย, อยียวยาไดคิดว่าทำความเพียรทำสมาธิก็ไม่ได้ อันนั้ก็เป็นอุบายของกิเลสในการที่จะไม่ให้จิตใจของเรานั้นตาลบความเพียรนักปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่มีคําว่าไม่ได้ซึ่งปรากฏขึ้นไปในใจคําว่าไม่ได้นั้นอันนั้นให้ตัดทิ้งไปเพราะว่านักปฏิบัติธรรมหรือพระทีเข้ามาบุญอยู่ในเพศ้ยตาคาซาพักนี้ความจริงนั้นต้องเตรียมพร้อม ที่จะต่อสู้ทุกข์กิเลสแม้ว่าบางครั้งจิตใจของเรานั้นจะทุกกิเลสครอบครองอยู่แต่เราต้องมีปิติปัญญาในการที่จะฝืนจิตใจที่จะต่อสู้ครูบาอาจารบางคนท่านบางครั้งก็แพ้กิเลสในบางครั้งแพ้กิเลสแต่มีความคิดภายในใจอยู่เสมอว่าจะต้องเอาชนะกิเลสไม่ได้ ไม่ยอมแพ้ต่อกิเลสต่อลมทั้งหลายซึ่งขัดกังกิตใจเมื่อเราทุกคนพยายามที่จะเอาชนะกิเลสพยายามที่จะต่อสู้แม้แต่ว่าบางครั้งก็ล้มเราก็ต้องลุกขึ้นมาหรือบางครั้งกิเลสชนะเราเราก็ต้องมาฆ่าหรือมาให้มั่นมรือว่าสวันหนึ่งเราจะต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ ไม่ใช่ว่าทีเด็ดเข้ามาจิตใจเราศาสนาจิตใจเราเราก็ท้อต่อยก็แพ้ยอมแพ้ไม่รู้จักตอบู้ับไม่ไราายยู้จักอดทนทีเด็ดเขาหาวิธีต่างๆมาแล้วพระเนรท่านก็มาบวชในกองทุนศาสนาทีเด็กษษ็พยายามที่จะหาวยยิธีทางให้เขา้เกิดธรรมเนนั้น ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเพศการประทุพรมชังในเพศพระกาส า, าพนี้แต่เราต้องรู้จักพิจารณาแยกแยะว่าอะไรเป็นอารมณ์ของอกิเลสอะไรเป็นอารมณ์ของสติปัญญาของมรรคแหงการดาเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสภในใจงเราเพราะมืสิ่งต่างๆซึ่งมูความไม่คิดปรุงแต่งในจิตใจขงเราอันเป็น เหตุให้จิตใจเรานั้นขายถึงความเปลี่ยนหรือว่าไม่กล้าที่จะต่อสู้ไม่กล้าที่จะพูดปฏิบัตนั้นเขาไม่นเป็นใบของเหตทั้งสิ้นเพราะการจะพูดปฏิบัติทำในเพศข้ากาสาพักนั้นเราทุกคนจะต้องมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะต่อสู้เอาชนะเหตให้ได้วันนี้แพ้พรุ่งนี้ต้องหาทางเอาชนะให้ได้ต้องมีอยู่ภายในจิตใจของเรา อยู่เสมอ ๆ, ๆไม่เช่บวชมาปล่อยวันในคืนใน้ลุงเลยไปเดือดา้อนพิบน์ที่เรากวกันมามันควรก็หลายปีแล้วหลายพรรษาแล้ววันเวลาก็ล่วงไปล่วงไปที่ก็จวนใกล้ถึงรูดูการออกอรรษาเพราะฉะนั้นการกระทําความเพียร น, นั้นเราต้องทําให้เต็นที่อย่าย่อท้ออย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้แพแกิเลส ถึงแม้ว่าบางครั้งมีจิตใจพอถอยเขาก็ต้องเอาใบปัญญาในทางที่จะสอนใจเราทั้งให้รู้จักต่อสู้ให้รู้จักกับชนะกิเลสในใจเราเมื่อโลกภัยให้เกิดมาเรียนเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจเรานั้นมีความมั่นคงพอหรือเปล่ามีจิตใจที่ตั้งมั่นพอหรือเปล่าหรือเรายังมีจิตใจวั่นไหวอยู่ ต่อโรคภัหไข้เจ็บต่อร่างกาล้หน้าภัยพิัติเราต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่แบบนี้เ ม, มื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเรียนในการภายหน้าจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่มีความห่วงไม่มีความอะไรในร่างกายมันเป็นธรรมชาติแบบนี้ท่านมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอเสมอและมีความแตกสลายจะเป็นที่สุดให้เห็นให้จิตของเราเห็นความจริง ก่อนที่ความจริงจะมาปรากฏให้จิตของเรารู้เท่าทันความคิดเป็นจริงของร่างกายาเรานี้ของอารมณ์ภายในจิตใจงเรานี้ก่อนที่ความจริงจะมาปรากฏทีเ่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นการบังเทียนคำว่าไม่ได้นะั้นไม่ควรดีไภไยในจิตใจของเราเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเรือเกิดขึ้นมาแตเทียงเล็กน้อย ไม่มากมายอะไรเราก็พยายามฝึกขับในการปาราลกความเพียรอยู่เสมอสิอย่าเพ้อถอยถ้าเราปารลาลบความเพียรอยู่เสมอเดืนหนึ่งกรมนั่งสมาธิพยายามมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอทําจิตใจเหล่านี้ให้สงบ อ, อยู่ตลอดเวลาเท่าที่จะทําได้สมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นได้วันนี้ไม่เกิดพรุ่งนี้ก็ทําพรุ่งนี้ไม่เกิด อาทิตย์หน้าทอีกอาทิตย์หน้าไม่เกิดเดือนหน้าทาอีกเดือนนี้ไม่เกิดเดือนหน้าทาอีกทำทุกๆวันสมาธิภาวนาจะดีไปไหนครูบาอาจารย์บางท่านทำความสงบได้แล้วบางทีจิดเสือ่อมแตความสงกความสงบห า, ายไปก็มีความทุกข์ความไม่สบายใจไาในจิตใจเดือก็ทุกข์เหนวยก็สุดท่านก็ไม่ต้อถอย การกระเปลี่ยนจริงๆเงจนสมาธิปรากฏขึ้นภาในใจมีความมั่นคงมีความหนักแน่นภาในใจมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเ ก, ดในในใกิดขึ้นภาจิตใจทําให้มีกําลังจิตซึ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกำลงังกอให้เกิดสติปัญญาแง่ก า, ายในการที่จะพิจารณาปรากฏในภายหลังเพราะฉะนั้น การกระทำความเพียร น, นั้นเราต้องต้องทําให้ติดต่อให้ต่อเนื่องทําให้เป็นปฏิปทาที่กำลังเส ม, มอหลวงพ่อเช้ากล่าวอยู่เสมอเลยว่าเมื่อทำาวามเพียร น, นั้นขยันก็ให้ทําอยู่แล้วที่เขียน ก, ก็ต้องให้ทําขึ้ น, น อ, อย่างขยันถ้าเรากระทำความเพียรทุกวันสมาธิจะหนีไปไหนสมาธิก็ต้องปรากฏขึ้นภยในใจเราเมื่อสมาธิปรากฏขึ้นแล้วก็รู้จักรักษา ด้วยคามมีสติจำลวงจิตจใจของเราอยู่เสมอจำลวงตาหูจมูกลิ้นกายจำลวงใจคือจติตใจเหล่านี้ให้มีความสูบให้มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่เสมออารมณ์อะเกิดขึ้นก็รู้จักความพอใจความไม่พอใ จ, อใจเกิดขึ้นก็รู้จักราคะความกำหนัดยินดีในรูปภายนอกหรือภายในจิตใจเราก็รู้จัก รู้จักแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยให้คข้ามาจิตใจงเราปล่อยให้กิเลสย่ำยีจิตใจเราหรือให้ใจเราตกเป็นทาสของกิเลสในความไม่คิดปรุงแต่งในการพูดการกระทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอเรารู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นก็พยายามหาทางทิจะรณงับโดยการใช้ปัญญาพิจารณาล้งกิเลสออกไป แต่ถ้ากำลังของปัญญาไม่เพียงพอก็ให้ใช้สมาธิหรือกรรมฐ า, านซึ่งเราภาวนาดับอารมณ์ให้หมดไปก่อนในทุกๆอารมณ์นั่นแหละจะเป็นความโลภ ก, ก็ดีจะเป็นความโกรธความไม่พอใจก็ดีจะเป็นความยินดีในรูปสิ่งที่มีคิดก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีคิดก็ดีหรือความยินดีความกำหนัด ใ, ในใจเราก็ตามก็ใช้กรรมฐาน เป็นการพาวนากำหนดจิตให้เป็นสมาธิตัดสลบนี่ลงไปเมื่อจิตมีกพลังแล้วก็ใช้จิตปัญญาพิจารณาค่ควรแยกแยกให้ปล่อยวางความยิดมั่นถึงมั่นในอารมณ์ทั้งหลายไปร่างกายของเรานี้ซึ่งเป็นเต้านิ่งเราสามารถที่จะยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้เห็นได้ชัดตลอดเวลาถ้าเราทำสติทมสมาธิใหต่อเนื่อ เมื่อจิตสงบเป็นสนาธิแล้วไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทําอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเอียบุตรไดก็แล้วแต่เราสามารถยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาค่ายควรให้เห็นสภาวะของปฏิปุณความไม่สวยไม่น่าในร่างกายเราได้แต่ถ้ากําลังสติปัญญายังไม่เพียงพอที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถิดมั่นในร่างกายเหล่านี้เราก็ยกภาพมิจฉ ทราบศพคนอื่นหรือว่ามีที่ทราบศพภายนอกบุคคลนื่นมาพิจารณาเทียบเคียงก่อนก็ได้พิจารณาเห็นผมขนเล็บปันน้ำอาการทางิสสงเรือสุภาษกรรมฐานหรือถ้าเป็นสี่ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เจตัวตนของร่างกายบุคคลดีแล้วน้นอมกลับมาพิจารณาร่างกายเรานี้ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาให้จิตใจเราเห็นชัดเข้าไป ให้จิตใจเรายอมรับเข้าไปว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งปก ป, กปกิเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนพยานใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาสอนใจเราให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นให้มีสติที่ปัญญารู้เท่าทันและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปนี่คือเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนาก็เหมือนกันเล ความสุขความทุกข์ความมึนเฉยก็เป็นอาการนั้นหนึ่งแม้จะเป็นอาการความเจ็บปวดทางร่างกายก็เหมือนกันซึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบีดเบียนอีกสามคลีมเวทนาหนึ่งก็ใช้สติปัญญาด้ย่ยจะพิจารณาให้เห็นช <but> ัดลงไปเพราเวทนาทางกายก็สัตว์แลว่าอาการของเวทนาใช่กายนี้ กายนี้ก็ประกอบไปได้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตไฟประจุมกันขึ้นมาเวทนาก็เป็นอาการเนื่องดยกายส่วนหนึ่ ง, ก, งก็ไม่ใช่กายนี้ไม่ใช่จิตของเราจิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งต้องรู้จักพิจารณาแย่ๆไปไม่ใช่มีเวทนาเกิดขึ้นจิตใจแล้วก็มีความทุกข์มีความกระสับกระส่ายมีความโกรธ ว, วายเพราะเวทนานั้นข้อมองจิตใจเราอย ก็มาสติปัญญาเพ่งพิจารณาในร่างกายเรานี้ให้เห็นว่าร่างกายเรานี้เป็นของไม่เที่ยงประกอบไปด้วยภาตุสี่เราสติปัญญามาเพ่งพิจารณาเวทนาว่าเป็นสัตว์แต่ว่าอาการนนหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่จิตใจเราพิจารณาให้ควรอยู่เสมอๆจนกระทั่งเห็นเวทนาว่าสักว์แต่ว่าเป็นเวทนาเป็นอาการนนหนึ่งเท่านั้นอม่มีเวทนาทางกาย เวทนาทางจิตคือเหมือนกันจะมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเป็นอารมณ์เป็นอาการที่เกิดขึ้นมาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความมีทนาหรือความจํามีควาสัญญาความจําได้หลายรู้ต่างๆที่เราเคยจําได้ตั้งแต่เด็กจนมาถึงปัจจุบันนี้ บางครั้งหดี๋ยวได้บางครั้งหดี๋ก็ลืมนั่นหละเป็นอาการของจิตั น, นไม่ใช่จิตใจของเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าปัญญาคือความจำนี้นก็ไม่เที่ยนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่จิตใจของเราหรือสังขารความนึกคิดปรุงแต่งก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ปรุมไปเรื่องดีปรุมไปเรื่องไม่ดีมีความรู้สึกท่บ้าง ก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความวิซิปุ่มแต่งอันนั้นก็เป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตใจขงเราถอยจิตออกมาพิจารณาอีกจะเป็นวิญญาณความรับรู้เมื่อตาเห็นรูปหูยินเสียงเกิดความรับรู้ขึ้นมาในใจเราก็ารู้แต่ว่านั้นเป็นสัตพพะอากลางหนึ่งเท่านั้นการพิจารณาใค่ควร ในรูปเวทนาสัญญาสังธ์ฐานยุญญาณเราก็ต้องพิจารณาอยู่เสมอเสมอบางครั้งเราก็พิจารณาตายบางครั้งก็พิจารณาลงไปในจิตใจของเราสลับกันไปแต่ารที่จะพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังธานยุญญาณส่วนละเอียดนั้นก็พิจารณาได้ยากจะพิจารณาส่วนเอียดได้นั้นก็เมื่อ ละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายซึ่งจะสามารถที่จะพิจารณาสวดลรียนเข้าไปเหนได้ชัขึ้นแต่ในเร้่มต้นนี้ก็ให้ใหยึดหลักในการพิจารณากายเป็นพื้นฐานด้วยก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนอารมณ์ไาในจิตใจเราซึ่งเป็นอารมณ์ยากๆยาเส้นความโลภในวัตถุธาตทั้งหลายความอยากทั้งหลายให้วรรโลงยะ ซึ่งเป็นอารมณ์หยาบๆในเบื้องต้นก็ใช้ติปัญญาพิจารณาได้ง่ายหรืออารมณ์แห่งความไม่พอใจหรือความโกรธความมาฆ่าปุถุบก็เป็นอารมณ์ขึ้นอย่างสติปัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาได้ง่ายพิจ า, ารณาลมความกำหนัดทินดีในเพศตรงข้าม หรือเียกว่าราคาความถนัดดีๆทั้งหลายก็เป็นอารมณ์ขึ้นอย่างเราก็สามารถที่จะใช้สติปัญญามาพิจารณาให้จิตใจเรานั้นคลายไปจากอารมณ์ทั้งหลายได้ในเรื้องต้นก็พิจารณาร่างกายเราพิจารณาลามที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเราสลับกลับไปแต่ส่วนที่จะพิจารณาเวทนาสุรเย็นหรือสัญญาสังขารยุยาสุรเย็นนั้น ในระดับต้นนี้คิดหนป็นอย่างมากก็จ ะ, ะนั้นให้ฝึกครับซ้อมจิตใจเงเราก่อนด้วยการฝึกทําสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องทําสมาธิให้จิตใจ เ, เรานั้นสงบมีสติตั้งมั่นอยู่ในกัตติธรรมอยู่เสมอเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ในกัตติบั ร, รมนั้นทําอยู่เสมอคือจิตนั้นมีสติเห็นจิตอยู่ ถ้าตลอดเวลาหรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำให้จิตบ้านจะารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอเสมอถือว่าเมื่ออารมณ์ปรากฏขึ้นในใจมองเราข่าวใดสติปัญญาจะรู้เท่าทันหรือสามารถที่จ ะ, ท, ะทําสมาธิตัดถลรมออกไปได้หรือสามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปจากใจเราได้และทําให้จิตเราว่ า, างใจอารมณ์ขึ้นอีก เมื่อจิตว่างอารมณ์ขึ้นมาอยู่ทุกๆขณะจิตหรือบ่อยมากขึ้นเมื่อกายเห็นรูปูดีนเสียงเกิด้าลงขึ้นมาไปในใจสติปัญญาก็รู้เท่าทันดีก็สามารถที่จะกำสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาค่อยๆพิจารณาออกไปจากจิตใจเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภานานั้น ถ้าเราขาดความเพลยนเมื่อไหร่สมาธิก็ย่อหย่อนเมื่อสมาธิไม่เกิดขึ้นกิเลสก็ครอบงำจิตใจเราคลา้จิตใจเราไม่คิดปุ่งแต่งไปเรื่องทั้งโลกหรือเมื่อคลายความเพลยนเมื่อไหร่สมาธิเพราะกิเลสก็ครอบงำจิตใจเรานี่แหลทำให้จิตใจเรนั้นก่อถอยก่อแท้ในการปฏิบัติภาวนาะ อุบายกิเลสก็พยายามที่จะทําให้ใจเรานั้นเศร้าหมองทําให้ใจเรานั้นพ้อถอยไม่รู้จักต่อสู้ไม่รู้จักทิจจะเอาชนะกิเลสไปในใจเราแต่อุบายของมัจในศีลในสมาธิในปัญญานั้นก็จะเป็นการต่อสู้ไปเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสไปในใจเราเ ม, มื่อ ม, มีกเิเลสเกิดขึ้นข่าวใดถ้าเราปานลดความเพียรอยู่เสมอ เรามีความมุ่งมั่นอยู่ภายในจิตใ จ, ใจ เ, เราแล้วเราก็สามารถที่จะชนะเกียลได้คําว่าแพ้นั้นเราไม่มีถึงแม้เราแพ้วันนี้ถ้าเราต่อสู้จริงก็สามารถที่จเราชนะได้แต่ถ้าเรายกตรงขาวแลยอมแพ้ก่อนก็ไม่มีทางที่จะชนะเกีลได้เหมือนกบบรบเบิดขึ้นขุดน้ําขุดดินหาน้ําบุคคลขึ้น มีความเพี่ยนน้อยขุดดินลงไปห้าเมตรสิบเมตรก็คิดว่าในดินไม่มีน้ำก็ทิ้งจอบทิ้งเสียงทิ้งอุปกรณ์ในการที่จะขุดสาน้ำเขียงท่อถอยเลิกในการขุดบุคคลที่มีความเพี่ยนนั้นนั้นขุดดินลงไปห้าเมตรสิบเมตรไม่เจอก็ขุดลงไปอีกไม่ขัยความเพีย่ยนมีความมุ่งมั่นว่าในดินต้องมีน้ำ ใครจะกุดไป15เมต20เมตหรือ30เมตรจนเจอน้ำเพราะฉะนั้นความเพียรนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าบุคคลทั้งหลายขายความเพียรเมื่อไรกิเลสเข้าข้องนจิตใจของพวกเราทุกคนแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะต่อสู้ที่จะมชนะกิเลสแล้วไม่วันวันใดวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่คาดหวังก็ย่อมปรากฏขึ้นไปในจิตใจเราได้ คือการรู้ทำเห็นรทำในการบรรลุธรรมในการทำอิจฉาบันทบเบาบางไปไกลจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราเข้ามาบวชความจริงเพศทังหมดของเราเข้ามาบวชอยู่ในเพศท่าการสะพานนี้การประพฤติปฏิบัตินั้นโดยตรงแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความทําที่สุดเป็นความพ้นทุกข์เป็นที่สุดภายในใจของเราภายในทิศของ เทพนักบวชทั้งหลายไม่ใช่บวชกันตามมารยาทีบวชกันชั่วคราวเพือมาศึกษาชั่วคราวเราบวชอาศัยพระเหลืองนี้เราต้องต่อสู้ไปตลอดยอมสละชีวิตหนึ่งเหมือนว่าถ้าจะสิ้นสิ้นหรือหมดลมก็ต้งหมดลมคาพ้าเหลืองนี้ให้พ้าเหลืองห่อหุ้มร่างกายองเราให้ เ, เ น, หน่าเปื่อยปูพังไปแล้วทั้งคนผู้อาศัยผ้าจีวอนผ้าตายทั้งหลา ย, ยให้เน่าเปื่อยปูพังไปหมดไปด้วยกันแล้ว นัแหละจึงเป็นนักต่อสู้ที่จะชนะกิเลสจริงๆไม่ใช่ว่าจะมายอมแพ้กิเลสถ้าเรายอมแพ้กิเลสในวันนี้ต่อไปเราที่มีความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้แล้วเราก็ต้องกลับมาทําที่จะชนะกิเลสกิเลสข้อข้องาำจิแใงเรานั้นนับพบนับชาติในถ้วนสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ดีสิ่งในปัจจุบันนี้ ก็ผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติแลแ้วแนการเกิดขึ้นมาและก่อนตายคือการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเรายังไม่เบื่อหน่ายอยีกเลยแห่งแงกิเลศครอบนบาํามังคัาบัญชาจิตใจเรานี้เพราฉะนั้นเราควรที่จะปฏิวัติจิตใจเรานั้นให้เอาชนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงภายในใจเราความเคียด น, นั้นเราต้องทํา ในเมื่อเราอยู่ในฐานที่สงบสมัติ ส, ส, ส, สถานที่พอสมควรปัจจัยสี่พอสมควรปริญญาพอสมควรแล้วเราก็ควรที่จะรีบเล่งภาวนากันแต่ละบุคคล ท, ทํางรวนจิตใจของเราตรงไหนเป็นสิ่งที่บุกรุองภายในใจงเราถ้าเรามีสติมีปัญญาให้ควรดูให้ดีค่อยๆพิจารณาไปก็สามารถที่จะลักความกงังวลใจออกไปจากใจเราได้ ทีเล็กทีน้อยสิ่งใดที่เป็นเครื่องกังวลใจหาวายปัญญาพิจารณาไปจะเป็นอารมณ์เรื่องอดีตเป็นเรื่องอนาคตหรือความกังวลใจในบ้านในญาติพี่น้องต่างๆเหมือนกันละออไปเรื่องการพิจารณาทุกคนมีกรรมของตนการเป็นผู้ให้ผลการเป็นแรงเกิดการเปผู้ติดตามพิจารณาดูถ้าทําจิตนั้นละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงไป และมุ่งมั่นในการที่จะเดินกลมทั้งสมาธิอยู่กับกรรมฐานซึ่งถูกกับสิทั้งเราเมื่อจิตใจจะจ่ออยู่กับกรรมฐานทุกเราภาวนาทำไมความสงบจะไม่เกิดขึ้ทนทําจริงๆจัง ท, ทําทุกวันถนอนมากไปก็นอนน้อยน้อยลงถ้าฉันมากไปก็ฉันน้อยน้อยลงถ้าทำกับเกียร น, น้อยไปก็ทําให้มากขึ้น หาจุดหาความพอดีหาปฏิปทาซึ่งเหมาะสมกับทางเดินภาในจิตใจของเรากิเลสจะปุ่มแต่งพลาจิตใจเรานั้นนอนมากแสนมากทำหอกเดินน้อนเป็นหลักของกิเลสเป็นอุบายของกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างอ้างลุงเรื่องนี้คลัวสุดภาพร่างกายนี้ดีบ้างกลัวเจ็บไข้ที่ป่วยบ้างเรื่อ ง, องความคลัวทั้งหลายเป็นเรื่องของ กิเลสซึ่งอโอบอใให้เราห่วง ม, มีความห่วงร่างกายเจนจันไปความเย็นก็ไม่กล้าหน้านี่เป็นกูบาจาหนึ่งท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้ำในป่าทำควาเย็นตลอดถ้าไม่ถ้ากิเลสไม่ยอมแพ้ก็ยอมตายนี่ก็ดีกว่าเอาเจนจัน้ากิเลสแม่ร่างกายจะแต่ดับนี้ก็ไม่ห่วงตายอยู่ในป่าก็ช่าน โครคภัยแค่เจ็บเดนเดือ น, นก็ไม่ได้มีเอตั์หรือยารักษาโลกเหมือนอย่างพุกวันนี้ลรงพยาบาลเลยก็ไม่ต้งพูดถึงไม่ได้คิดจะเข้าโรงมาบอะไรกันคิดจะภาวนาเอาธรรเป็นใหญ่จะตายก็ให้ตายถ้าไม่ดีก็ให้ตายถ้าไม่ตายก็ให้ดีอันนี้เป็นคติของครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แต่พวกเราทุกวันนี้ กลัววร่างกายกันกลัวจะร่างกายไม่ดีกวัวจะไม่สมบูรณ์กว่วจะปีพันไม่ดีกลัวไปหลายอย่างซึ่งเป็นอุบายของกิเลสที่งเพราะนั้นพิจารณาดูให้ดีร่างกายเรานี่ประ ก, กอบไปด้วยธาตุทั้งสีแลงนั้ น, น, นถึงการถึงเวลาก็แตกกรายไป เรามีที่พึ่งภายในจิตใจหรื อ, อยังมั่นคงภายในใจเราหรื อ, อยังอย่าคิดว่าเราจะมีอายุพรรษามากขึ้นคิดว่าเราอจะมีอายุพรรษาถึ ง, ง ห, ห้าปีสิบปีได้ไม่แน่นอนคนเราหมดลมได้กลอดเวลาเมื่อหมดลมร่างกายก็แตกสลายไป พร้อมยังต่อรู้ภัยแค่เฉกขึ้นสมาบุญเดือนในธาตุในฐานะนี้เมื่อร่างกายแตกกละจายใจละมั่นคงหรือยังรู้เท่าทมมันหรือยังปล่อยวางความดิ้นั่นถึงม่นในกายในใจหรือยังเพราะนั้นความให้จริงจังก็พยายามสนวนสถานที่ให้ประสบสนับนานที่สุดเท่าที่นานได้คิดว่าถึงแ ม, ม้ไม่ดีมากมายงเป็นได้นั่สถานที่นี้ แต่ก็พอสมควรถ้าเรามุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพเาาาาเลิงภาวนาความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นได้รู้จักปิดรู้จักหลีกเล่นพอนาการผู้ขี่นี้ก็ให้น้อยลงทําความเพียรนม่มากอยู่กุฏิเราทำเมื่อเพียรให้จัดกระดุ้นตื่นตัวตื่นใจในจิตใจเราบ้างมีความปานลบความเพียรอยู่ในใจเราสมมุอทากิจธุระ จะรวมเสร็จแล้วเข้าที่เด่นกกมนั่งสมาธิอันนั้นคือผู้ปฏิบัติอย่าว่าหญิงปล่อยเวลาให้รุ่งเลยไปใยป่าพุ่มวันและคืนมาผ่านไปผ่านไปจนเดวมอนษาแล้วพระพิจิตบัติได้รู้ทำารือทำกันหรือยังเอ า, งาจริงๆริงยังจำเอาตัวเราเองทำใจเราที่เอง หันใจ้อยให้มีความสงบเยือเย็นให้มีความบริสุทธิเกขึ้นยอมแพ้กิเลสมาให้รู้จักอยู่พกิจชาตินล้ว้าตนี้ทิ้งเดทัชฌานบัตคูบาชาติท่าน้างปฏิทาณส้งความมั่นใจ้ทิ้งเบ็ดทชฌานจะเบัตจินจยอมตายคาพระเหรียนขาผ้าคาสื้อผ้าถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ให้รู้ไปก็เป็นมิสัยปัจจัยเป็นบารมีต่อไป ไม่สร้างในในภพาตินี้จะไปสร้างภพชาติไหนภพช า, าตหน้าจะตกในสู่ภูมิที่ต่ำหหรือเ่าไม่รู้จะได้มีโอกาสที่จะพบ พ, พุทธศาสนาได้มีโอกาสสร้างความดีอีกหรือเปล่าถ้าไม่ดีเป็นขุนกายน่าอะไรมากในโลกนี้เกิดขึ้นมามาหลงในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นวัตถุธาตุทั้งหลายลูปสิ่งจิตรสัมผัสต่างๆเป็นของดีงามยังไง มีอะไรดีมีอะไรมีคุณค่ามาจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีจะเป็นสิษย์ก็ดีพิษก็ดีไม่เกินร้อยปีแตกขลายไปหมดเราจะมาหลงของของเก่านี่คิดว่าเป็นของสวยสดงดงามนี่ของเป็นไปด้วยความทุกข์ทิ่มๆเกิดขึ้นมาแล้วมีใครมีความสุขที่แท้จริงบ้างเกิดขึ้นมาเป็นไปด้วยความทุกข์มีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เบียดเบียนนี้ ความแก่ความแตกอหนใดความเบียดเบียนอารมณ์ต่างๆปผสมกัสิที่รักที่พอใจพัดพาจากสิขึ้นเป็นที่รักที่พอใจมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นหรือความหนาวปรากฏขึ้นความร้อนปรากฏขึ้นความไม่สบายกายความไม่สบายใจทุกทั้งหนึ่งหาความสุขที่ไหนได้ในโลกนี้ก็ไม่หาจากใจของเรา ความตัขภายนอกมันเป็นความหลุงนั่นที่ข้อบําจิตใจเราไม่ให้เพลินให้หลงไปเห็นโลกเฟืงานคนทั้งหลายสัตวทั้งหลายมัหลงอยู่ในวัฏฏะรงสารเ ก, กิดขึ้นมาเพ้่มาหลงก็ข อ, เองเกับมีอะไรสยงามไม่มีโลกนี้มีแตความเสืมทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งร่างกายของเราร่างกายของคนอเสือกไปทุกๆวัน หาสึงที่เป็นเถี่ยสาละไม่ได้นี่จะพิจาณาบ้างทํหน้าจริงให้จำทำความเพียรเข่าคิดเป็นเดิมพันเราปฏิบัติถ้าเพียมากาก็พักผ่อนนิพักผ่อนไปแล้วตื่นขึ้นมาให้ตั้งใจจะสมาธิตื่นขึ้นมาก็าตั้งใจที่จะปลดความเพียรไม่ไอ้อยถึงแม้วไม่สงบก็ตามเดินโกงไม่ค่อยสงบนั่งส ม, งส ม, งสมาธิก็ไม่ค่อยสงบ แต่ก็ทําไม่พอถอย ต, อจจอต้องทําอยู่ที่ว่าจิตใจจะสงบไหมเดินเดินชัโมงสมงั่วโมงไม่สมบก็ต้องเดินทุกทุกวันนี้จะสงบไหมเจ็ดวันสิบ ว, วันเดินจะสมบไหมทําูที่นั่งสมาธิเจ็ดวันสิบวันไม่สมมก็ทำเล็กเดินความสงมจะไม่ปรากฏขึ้นบ้านเลยให้เป็นที่ฝุ่นใจให้เป็นที่ อยากจะปลดล็กความเพียรหรือเพือพินได้เลยในการจะปฏิบัติบ้านคิดถ้าเราทำความเพียรนี่ก็ถอยอันนี้ต้องพยายามควบคุมจิตใจของเราให้ดีมีสติดูใจอยู่เสมอเสมอถ้าปล่อยสติขาดสติใจเราก็เพื่อเพลิพพนกี่กับอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์มนตางข้องนําขิงใจเราด้วยว่าขาดสติเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติขึ้นมาอยู่เสมอเสมอ ในสมัยก่อนหลวงพ่อาเนี่นก็ให้บุบายให้ง่ายในการฝึกสติเวลาจะไปไหนนะท่านก็บอกฝึกสกติลงสติก็ให้กาบพระขึ้นสติก็ให้กาบพระมาตลาให้กาบพระผเหานสลาให้กาบบ้านท่านฝึกสติ <Okay. S 1> ที่ขาดที่ขาดตกบกพร้องให้ต่อเนื่อง่เสมอคือความระลึกได้บางทีเราเผลอปล่อยจิตปล่อยใจไป พอขึ้นสติแล้วกล่าบพระอก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ไม่ใช่สักตะวะ่ากล่าวไปทางกายไปแต่ใ จ, จคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้กล่าวก็ตั้งคำรวมแล้วถงึงก็พึ่พุทธกุศลทำคุณลสังคุศลแล้วถึงก็พึ่พระธรรมประรงสงค์ละกลาบแต่ละครั้งหังจะกลาวไปแล้วก็มีสึงเข้าดูจิตใจเราต่อไปเมื่อกาวสติกล่าบพระก็มีสติเข้าดูจิตใจเราต่อไป ตั้งสติขึ้นมาให้ต่อเนื่องให้ติดต่ออันนี้ได้เหมือนครูบาอาจารย์เขาบอกเราเหมือนเปิดน้ำหยดเทียนหยดถ้าเราเปิดให้แรงขึ้นก็เป็นสายน้ําก็ต่อเนื่องกันหนสติก็เหมือนกันที่เราพยายามตั้งขึ้นม า, ถ, าถ้าตั้งสติให้ต่อเนื่องแล้วก็เหมือนก็ติดต่อกันเหมือนสายน้ำทีนี้ก็ต้องพยายามทำกหบเรียนกัน วันพระซึ่งโดยปกติแล้วก็กำหนดให้ให้หลังที่งคืนแล้วไม่เก็ดใครได้กลุยก็อย่าไปทอดทิ้งอย่าไปทิ้งข้อวัดทิ้งระเบียด น, นี้ยันหย่อนที่สุดแล้วล่ะเพราะครูบาอาจารย์สมัยก่อนถ้าหลวงชาในวัทีในพรรษาสมัยท่านปฏิบัติตามประบติของท่านคืนให้ไม่นอนในศรรษานอนจำวัดพักกันถึนคืนทันเพีย การเปลี่ยนตลอดคืนบาทีเปลี่ยนเวลานอนอันนี้มันมีเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นนะเที่ยงคืนฝึกหัดบ้างทำงา น, นค้างต่อสู้กิเลบ้างที่เราก็อ น, นี้ผมก็ไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังครับอะไรบ้างแต่แค่ทํำตาม ร, ระเดียบได้ก็ดีที่จริงว่าท่านน้องลูกก็พักผ่อนไปแต่พักผ่อนไปบ้างก็ไม่ได้เลยถามอะไรหรือ แต่อย่าไปย่อย่อนคนที่ทํตามระเบียบระเบียบต่างๆข้อข้อวัดต่างๆก็เป็นไปเพื่อขุดเขาวกีดทั้งนั้นไม้คอนผู้บัญการไปบัดกถึงจังคืนคืนไม่นอนเปลี่ยนเวลาทำเปลี่ยนเดินกลมนั่งสมาธิไอ้ทีท่านนั่งตลอดทั้งคืนในยาบทเดียวทีท่านเดินกรมต่อทั้งคืนในยาบทเดียว เราทําความเปลี่ยนได้เพียงพอแล้วเราก็คิดอยากได้ความสงบแต่เราทําความเพียนได้ถึงที่เรียบทำความเปลี่ยนได้เหมาะสมเรียบอย่าไปยอมแพ้กิเลสใจใจเราเพื่พยายามต่อสู้กับนะกิเลสอุบายของกิเลสสารพัดอย่างที่จะทําให้จิตใจเราต้อต่อนต้อแท้ เราต้องพิเตอุายปัญญานการต่อสู้กับพิเรตที่มาบงกันแล้วก็ทความเพียนที่จะเชืื่อมที่จะชนะิเรตให้อยู่ในสิ่งมีสมาธิในปัญญาเนี้ยคนทานั้นเป็นเด่นใ้ความถับความทุกข์ใจเราทาให้มากกินไป่มากนัแหลนความคิดถึนความดีก็มีคว Om Namah Shivaya. Namah. ยังจิตใจสงบไหมนั่งได้แต่ไม่ได้สงบคิดเรวมเรื่องไรนี่สงบสมาไม่อยู่ คิดมากเรามาคิดถึงย่างกายอยู่ไหมเคยลองคิดเอาความรู้สึกไม่คิดคุณงกานมาที่จะมาท้องกายแทนที่จะให้คิดเรื่องอื่นเข้ามาคิดอยู่ส็าคามสองสองในร่างกายเคยไหมลองนอนดูเรื่องถลัง ปกติแล้วต้องมีสมาธิขุ้นสมาธินากายแต่บางีถ้าจิตใจไม่นิ่งจิตที่จะเื่งนี้นเรื่งนี้ลองมาคิดแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นลองมาคิดเรื่องของากายาหงดให้อยู่ในวงของกายคิดปไปค่อยๆไปจิตใจจะสงบ ไ, ได้แต่ของจริงนั้นถ้านั่งสมาี่ก็พยายามหงดกรรมฐานที่เรากุทธิษ เป็นดูลมหรือก se ัง so ม้าพุโตอก็ทำได้แต่ถ้าว่าจิตน like, ี้หย so ุดนิ่งเราก็ต้องันคือใช้พิจารณาความกลางของเลยก็ได้กานคิตที่บ้านจะอารมณ์เราตยการจิตที่บ้านจะอามไม่ได้ถึงแม้วันคือไม่สนุกแต่เราก็ต้องฟัมาเพียง ไปทุกทุกวันอืมถ้าพิมาใกล้ควงไปถ้าอย่างเดียวจิตอยู่อยู่ได้ดอย่างเดียวถ้นพิมากระโดดหรือน้องหรือปอเนี่ยพิมาอย่างเดียวจิตจิตเห็นจิตยอ น, นั่งก็จะหยุดไม่นิ่งถ้าจิตไม่นิ่งบทเรื่องพิมาปอดพิดมาตักพิมาไปพิมาลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อะไรไปก็ได้ หมายถึงว่าถ้าจิตเราไม่หยุดนิ่งแม้ที่นอนหมดไปแล้วนะในอาการนั้นก็พิจารณาการอ น, นืยยยยนนนอ่นต่อไปขย้ายย้ายสติปัญญาพิจารณาส่วนอื่นของร่างกายต่อไปแต่ว่าถ้าพิจารณาแต่เมว่าพิจารณาสีสัตที่กระโหลกหรือตายเพิ่งพิจารณากะโหลกหรือตาแล้วจิตหยุด น, น, น, น, นิ่งพองพิจารณาเสร็จแล้วจิตนิ่งไม่อยากพิจารณาต่อนมีความรู้สึกไม่อยากคิดต่อเข้ากำหนดภานาให้จิตสงบไป มั travail, mm ืก hmm. so so ouais. ็จิตอาจจะนิ่งปล่อยจิตจะว่างรับอารมณ์ก็ได้เขา่อยให้จิตนิ่งอยู่ในคามสงบบบนั้นไม่กริเที่จะอยากจะหยุดคิดเนี้ยเราก็จะกำหนดกรมฐานเอ้ามาประมาธทีาคนาต่อไปเลยใช่มแต่ว่าถ้าพระโตจิตมนงนิ่งล้วก็พิจารณาสัวหนึ่งต่อแต่ว่าถ้าจาาตัวน่ต่อไปจิตเริ่มเห็นเริ่มยอมรับคือจิตไม่อยากคิดแล้ว ก็ปต่อยให้คิดสงบหรือว่าถ้าความสงบยังไม่พอแต่จุดเร่าไม่อยากคิดแล้วก็กำหนดพุทโธหรือดูในนะใจก็เป็นตัวส่งจิตที่จิดเข้าไปสู่ความมืดคิดไม่เห็นว่าถ้าว่าตัวมันต่ายนี่มันก็เป็นส่วนมันไม่ใช่ตัวเราเช่นหรือว่ากระโดกเนะี่ย กระดูกนี้ใช่เราด้วยปะก็ เ, เป็นส่วนคือกระดูกก็เป็นกระดูกเป็นก็เป็นไอ้่างส่วนหนึ่งถ้าแยกออกไปกองลงพื้นอดหนังออกหมดเลยกระดูกแขนกระดูกขากองอยู่พื้นนี่นก็เป็นท่าสี่ไม่ใช่ตัวเราตอนนี้ใจเราเห็นว่าถ้าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นของไม่เพียงของไม่แยกตัวนตนจะพิจารณาว่าใช้สติปัญญายกนั่งกายขึ้นมาสอนใจมั้ ให้เรายอมรับความจรองไ่ขอร้องอาจจะให้ครูแค่นี้เพราะว่าสติปัญญามาพิจารณาให้ความาจ น, นี้แต่าาใจเป็นผู้ดูอยู่แต่ตั้งมั่นดูดูให้ใจยอมรับนะเอาสติปัญญามาพิจารณาการสอนใจเหมือนกับครูซึ่งเขียนบนกระดานนักเรียนผู้นั่งดูอยู่อาจารย์หรือครูเนี่ยก็จะวาดรูปอะไรบนกระดาน ว่ารูกคนว่ารูปักต่ า, างๆเราเนัรเรียรมา ม, มั่นดนูก็เห็นตามลูกเห็นหหครูกเ็เมืนกสติปรญยาสอนบนกระดานขีดเขียนท่ศาใข้คนได้เนตรเรียนก็เหมืนตัวจิตว่าสติปัญญาสอนจิตจิตไม่ต้องน้อมไปพิจารณาใข้ควสอนเห็นปฏิจจคูณเหินของไม่เที่ยงเราแยกแยะว่าตายในี่ยประกอบไกด้วยาตทั้งสี่ ไปพี่นาส่ว น, นต่างใช่ไหมพิการณาสองสองปกคนดลดปันังกระดึงกระดึงผมบอกงา่ายๆ่ายเลผมก็พี่นาส่วนเวลาแล้วปมผมเวลาปวดเจ็บหรือใส่รันก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดก็จะได้ท่าอหนึ่งท่าดินงถ้าพี่นาละเลอียดในในผมในเกล็ดก็มีทาสี่นะมีส่วนที่เป็นความปกปิดหนอีอนั้นส่วนที่ เ น, น, อนอากาศอนั้นในในผมกนะ้เป็นคอคือข้าน้ําเสละอยดบบอยู่นั้นร่าดินเอาไปถ้าลมอยู่นั้นอันนั้นก็พี่มาเสลี่ยเล่นๆถ้ากินข้ทวี่มาแค่ผมขัดเสื้อผ้าท่าถึงมันก็ได้ออกไปจากร่างกายพี่าไม่ให้กิจเลยเชื่อใจอันนี้ไม่ใช่ไฟเ า, าเป็นสักเสื้อผาเท่ากันง่า ใช่บอกวถ้าจิตมันพิจจะมาส่วนต่างร่างกายถ้จิตเห็นชัดเนี่ยไม่ต้องกลับมาทสมาธิแล้วพอจิตเห็นชัดนี่จิตจะรวมเเราใสติปัญญาพิจารณาการแคเห็นเป็นครส้ากรมนาฬหรือท่ารืออาการคามฝันไม่จิตเห็นชัดปั๊บจิตจะรวมเข้าไปกันหมเป็นจิตสามี่มาแลัวรวไมไปโดยไม่รู้ตัวแต่มีสติ แต่มีสติเหมืนไม่รู้ตัวแต่มีสิติเข้ไปอยู่ใปทั้งสปลวางการพิจารณาและจิตเข้าไปรวมในความสงบเนี่ยมันจะเป็นตัวส่ง ก, การพิจารณาทำให้จิตเห็นชัดแล้วว่ารวมไปนอนู่ในความสงบให้ถ้าเห็นกายนะยอมรับฟังความจริงจิตก็จะรวมสปลวัง ก, การพิจารณาแต่คนที่ถ้าพูดถึงว่าจิตงไม่ยอมรับหรืว่าจิตไม่อยากพิจารณา ก็เรย่มยรับเลยไม่อยากพิจามาจิตเริ่มเบื่อบายเราก็ทำารรมพิจารณได้แต่เราคัดพิจารณายเนี่ยเป็นชัดจริงๆจิตไม่หยุดเองถ้าพิจมราผมเห็นัดไม่จะอยู่เองไม่ต้องพิจารณาคนอื่นบางทีพิจารณาแค่ศีรษะยังไม่พิ้าราลงมาส่วนข้างล่างตหัวใจอกใจหรือลมไช้น้อยลมไส้ใหญ่จิตก็ไม่อยากพิจารณาแลวนั้นก็เห็นชัดเลยในวัน จิตก็จะรวมมันเป็นพนักที่ไม่ก็กใช่ควรไปครูบายาจารย์นี่มาทำเงินเพียนเงินขาติดแทงเงิ น, ท, ง ท, น, นทำอยู่เงนขายีสิบนทีให้เราทำอยู่เงินขาต้นสิบซึ่เเเงเราอยู่ไม่ชอาถุยครูบาอาจารย์รื้อเง น, นทําไปเรื่อยทาไปไม่ยอมหยุดคือคือจิตมังหวานตันกานทำตลอดพีน่นนะถ้วพูดถึงว่ายังไม่รู้ตัาทงินตังไม่หยุด นี่เราเป็นาัญหากันน้อยๆก็อย่าคิดว่าชีวิตเราจะยืนยาวไม่แน่นอนเราต้องตั้งใจใหม่อดีตที่หวาน้ามาเป็นปันหาทั้าจกับตัอมาไม่เกิดผลอะไรอย่าไปท้อถ อ, อ, ย, อยอย่าไปท้อแท้ปฏิปันธ์เริ่มต้นใหมนับศูนย์ใหม่ก็ยังทำครูบาอาจารย์ทุกท่านเจ็ดเ0็นสาวสิบแปดเป็นสาสิบนาวขึ้นจะเริ่มขึมม้นอีกแบบางทีอยู่วัดบ้าน ศึกษาปริญญาถึงบด้านเจดแต่คนขาตขาตุ้มมาต่อพิธีแบบในภายหลังท่านก็ยังรู้ทางอีกทางเราคนขายนี้น้อยเพร า, า, นาะนั้นจึงแม้นแต่พิธีแบบมีปิดใจสมบัตนไม่สมบ้านนั่นก็เป็นวิสัยสรกระจมีกฏเลขศูนย์งต้นใหม่ก็ได้ขอ น, นี้ของันก็เลื่อนไนาดีไแล้ว จะดีไม่ดีก็เป็นได้ดนะีแล้วส่วนที่ดีที่ถึงขน้าที่ธัญญาที่ ส, สร้างสมงไว้มันก็เป็นได้ดีปฏิบัตินี้เริ่มต้นไหนกบหลาดเริ่มต้นไหนเลขศูนย์ตั้งต้น9ก้าเดินหม่อุผู้คนทำได้กอไก่ไห่เรียนกอไก่็ถไก่ขึน้นมา a b c เรียนนี้ไรใหม่ไดนะ้ทำอดีตสถานพื้นกัน้ค่า ไม่สามารถาำให้จิตใจเรานั้นคลายกิเลียไปได้ก็ใช้อะไรไม่ได้เรามาทำสิ่งสมาธิปัญญาในปัจจุบันในแต่ละวันซึ่งจะดำเนินต่อไปให้ดีที่สุดเช่นวันเนี้ออกไนี่ไปก่อนที่เราจะ้ำวัดเนี่ยเช่นเือนตีหนึ่งอะไรเนี้ยเราก็ทำบางเกียนเรียนกมนั่นขึมาที่เวลาเราสร็ารัหวมีสติสดุลกมาถามระมาณึีก็จะล หรือว่าถ้าจิตใจสงบก็มาถามไม่สุบแล้วก็มาพิจารณาท้าบผลเรามีแล้วนอนตายอยู่นะในใจหมดนนพิจารณาจนทราบผลนองไปเป็นประเดนอันนี้จะทำให้สติต่อเนื่องเลยเมื่อตื่ขึ้นมาก็มีความกานสติขึ้นมามีความระลึกรู้รู้โผล่ขึ้นมาทำคิดแล้วส่วนตัว้็มีสติ ให้ต่อเนื่องจับจอต่อไปตลอดทั้งมันทางนี้นทุกวันมีสนใจเรื่องนอะไรไม่นป็นปสนใจเรื่องนีง้ที่ไหนที่ถึงเขาจะไงก็ท้างรอเอาตัวรอไปไปคิดถึงกองนขนถ่านไปเนื่องไปดีบางากองการไว้ระังด้วยแต่ปัจจุบันนี้ต้องแข่งบางครงการขอ ง, ขของนถานแล้วปีหน้าแล้วมีกิจธิรไปไหนไปนไหนวางไว้ แต่อย่าไปกังวลมากอย่าคิดมาก น, นี่แน่นอน ต, ตายไปแลวไปได้นั่นตรงนั้นพิธิกรรแผนการเนี่ยถึงเวลาแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้โครงการต่าไม่แน่นอนมีการอะไรก้านแท้เยอะแยะอะที่ทำให้บุคคล้หลายเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นระ บ, บวังที่เราอยู่นี่อีกเส้นหนึ่งคือท่ารำี่สุดน ออกเป็นสายแล้วปฏิบัติงานโราทำมันเพียงได้ทำมันเพียงไม่เป็นที่เป็นไม่เป็นหน่วยอย่เมึนงงใจอย่ารลัวกิเล ang สความโลภมีทางทางดับออไปความโกรธนี้ทางทางดับไอกไปได้อย่าเก็บอยากกิดทางได้อลรที่เิเลสหมอจะหน้าคุณอารไน่งให้กับความพลาดเป็นบาที่เลสข้อของ เราว่าข้าศึกบาดเจ็บทุกอย่างนั่งท่านนันงรูปนั่งที่เด็ดนชนะตอหนี้พิจารณาขั้นเดือนข้าวต้อหมายมันว่าต้องเาชนะกับคืนไม่ไดถ้าผมไม่ราไรวันนี้ต้องอาชนะที่เด็ดไปในใจทุกอย่างไม่ะด้เราก็ตั้งมานั้นมันอยู่อย่าให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วหวังอภารชนะวันนี้มีชนะพรุ่งนี้อม่มชนะพรุ่งนี้มีชนะเดือนหน้า่นะ เดือนหน้าไม่จะหน้าปีหน้าจะเ น, นี่ยความดุขุนต่อไปไม่เพราะปล่ อ, อยไม่พราแท้นั่งมมสมาธิในสมองพยายามนั่ง น, นั่งพยายามหาใบสาติปัญญาให้ตลอดในกระบวนการจิตตะล่อมจิตให้สมองไม่ได้ ม, มีสติสอนเนื่องให้อยู่ในปัจจุบมมนมมันก็สมอด้วยสมองก็ทไม่พอแท้ไม่เพรายทําทไป ห, หาใบาทำให้มั่น็อย่าง เดินทุกวันไม่สมมติเพจะทำอยู่้หน้าให้มันรู้ไปดีกว่าการนี้มัมีกางสมบัติเกดขึ้นเลยแล้วให้รู้ามเพียรอย่าไปเข้าต่อยไปเจ้าแท้แล้วกันทมันยากโดยอย่างนี้ได้ระับางจริงต่อพูดนริงต่อพูดจริ